นึ่นะครับห้ากับนมัสการพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลคุณชมครับสวัสดีคุณชมทุกท่านที่ติดตามรายการต่างก็ดีกับความดีที่แตกต่างนะครับวันนี้ทางทีมงานและก็รายการของเรานะครับได้มีโอกาดมาที่วัดป่าสุขโตอําเภอแก่งครอจังหวัดชัยภูมิ กราบขอบคุณพระอาจารย์นะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการวันนี้ก็ขออนุ ญ, ญาตประธานเรียนสัมภาษณ์นะครับก็คุยเรื่องราวต่างๆเพราะว่าโอมเชื่อแน่ว่ามีแฟนคลับซึ่งหลายคนนะครับบอกว่าพระอาจารย์เป็นพระไอดลอลตามสับวัยรุ่นนะครับก็คือมีคนติดตามเยอะมากด้วยสภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการดําเนินชีวิตของ คนทั่วไปเรื่องราวของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับซึ่งอมเชื่อแน่ว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางหรือว่าเป็นแบบอย่างเป็นต้นอย่างในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขในสังคมแบบนี้นะครับครับผมอาอจารย์พรพร่อาจารย์ครับขออนุญาตครับอ๋อต้องการมมนี้ใช่ปะ่ะอันนี้ยาวเลยนะยาวเลยนะนี้ครับผม พน้นอมครังห้าสี่สามสองพระจารย์ครับพระอาจารย์เกิดและก็โตที่กรุงเทพเหตุสนัยถึงได้มาที่วัดป่าที่นี่ครับคือตามาหลังจากที่ได้จบการศึกษาครับผมที่มหา ร, ร, รมาเนี่ยก็มาทำงานกลุ่มประสานงานศาสน า, รสารประชคมครับที่จริงทำมาตั้งแต่อยู่ปีสองแล้ว อ, อตอนเรียนแล้วะนะครับ แล้วก็ทำมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าจนถึงปีสองหเนี่ยเจ็ดปีก็รู้สึกว่าเครียดเพราะงานหนักมากนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะผ่อนคลายหลายอย่างครับนะเที่ยวนะดูหนังฟังเพลงตามปุถุชนทั่วไปใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้อ่ถึงกับกินเหล้ารหรือว่าไปอ่ ไปมีไปทำอะไรในสิ่งที่ประนาประมาณนั้นครับก็รู้สึกว่ามันยังไม่คลายดูหนังสบายใจออกมาก็เครียดอยกแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็มีปัญหากับเพื่อโรงงานเพราะความเครียดของเราผู้น่าคือว่าเริ่มจะเสียสูญแล้วก็คิดว่าควรจะหาทางพักใจและคิดว่าการพักใจที่ดีสุดเนี่ยน่าจะเป็นการทาสมาธิ ก็เลยตั้งใจว่าอยากจะบวชทักสามเดือนเพื่อทำสมาธิทำไมต้องถึงต้องบวชก็พี่ว่าคิดว่ า, วาถ้าไม่บวชเนี่ยเป็นคราวา์เนี่ยลา ง, งานไปทำสมาธิเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้เรื่องเพราะว่าฆราวาสนี่ยังมีเสรีภาพที่จะแวบไปนโน้แนแวบไปนี่ใช่ไหม บ, บางทีเราก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมนะโดยเพราะวิธีชุดแบบะส์เนี่ยมาช่วยกากับนะ เพื่อให้เราเนี่ยสามารถจะทุ่มเทให้กับการสมาธิทำสมาธิภาวนาได้ก็เลยตัดสินใจบวชก็และพี่ว่าจะบวชสักสามเดือนเพราะลางงานได้เท่านั้นครับแล้วบวชแล้วเป็นยังไงบ้างครับยากไหมในการที่เราตั้งใจจะฝึกสมาธิหรือว่าทําวิธีการทําให้ตัวเองไม่มีความทุกข์ในเบื้องต้นนะครับคือใหม่ๆเนี่ยปรับตัวเ ข, ข้ากับชีวิตพระจากคนที่เคยวิ่งดอดเวลานะ ครับผมนอนก็ส า, ายตื่นนอนก็ส า, ายเข้านอนก็ดึกเนี่ยแล้วเราต้องมาปรับวิธีธชีวิตเปลี่ยนไปเลยใช่ไหม ต, ตื่นเช้าเนี่ยมันก็ใช้เวลาปรับตัวพอสมควรแล้วก็พร้อมที่จะอยู่นิ่งๆไม่ต้องทำอะไ ร, รไม่ต้องไปวิ่งบุญที่ไหนเนี่ยก็ใช้เวลาตั้งอ า, อาทิตย์สองอาทิตย์นะแต่ที่ยากวัานั้นคือตอนทำสมาธิภาวนาอาตมาบวชที่วัดทองตระคุณ แล้วก็หลังจากนั่งสองสามสมาธิก็ไปที่วัดสนามในไปปฏิบัติหลวงพ่อเทียนช่วงนี้เนี่ยยากมากเพราะว่าจิตเนี่ยมันดิ้นจิตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแล้วมันไม่แล้วเราก็ทําสมาธิไม่เป็นเจริญสติไม่ถูกคือไพยายามไปกดไปห้ามความคิดเนี่ยซึ่งมันมันไม่ถูกมันทําทําแล้วมีปัญหากว่าจะวางใจเป็นกลางๆงให้ทําด้วยความรู้สึกตัวทําด้วยความผ่อนคลาย ทำอย่างที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าทําเล่นๆแต่ทําจริงๆทําเล่นๆแต่ทําจริงๆเอยากนะเราก็ไม่เข้าใจต้องทําทางจนกระทั่งเข้าใจว่าหลวงพ่อเทียนท่านหมายถึงอะไรก็คือทําโดยไม่มีความอยากไม่มีความคาดหวังมันจะฟุ้งมันจะพลาดก็ช่างมันครับแต่ว่าทําทุกวันทําทั้งวันก็จะเกิดความเคยชินตื่นนอนขึ้นมาจนถึงเข้านอนนี่ต้องปฏิบัติตลอดก็ช่วงที่ทําผิดเนี่ยนะ พอมากจนแับ ว, ว่าอยากจะเลิกทำผิดพลาดมาสองสามอาทิตย์มาดีในช่วงอาทิตย์ที่สี่พอดีแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้การเจริญสตินี่วิเศษมากประเสริฐที่สุดก็เลยอยากจะบวชต่อ <c oughs> ครบสามเดือนแล้วก็อาไลวันที่ใกล้ใกล้สึกเนี่ยรู้สึกอาไรที่จะสึกก็เลย <ผม S 2> ตัดสินใจว่าอยากกันนั้นเลยขอบวชต่อ <c oughs> ก็เลยบวชอีกสามเดือนเข้าพรรษาไปเลย เข้าพรรษาไปเลยนะฮะและถึงตอนนั้นแหละจึงมาจำพรรษาที่วัดป่าสุกัตก่อน น, นนั้นเนี่ยยังอยู่ในกรุงเทพสามเดือนแรกเนี่ยยังอยู่ในกรุงเทพเดือนที่สี่เดือนที่ห้ก็ยังอยู่วัดสนามในครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มาจำพรรษาที่วัดป่าสุกัตโตถามว่าทําไ<ห>มถึงมาวัป่าสุกโตก็เพราะหลวงพ่อคำเขียนท่านอยู่ที่นี่อาตมาเนี่ยก็บวชและตั้งใจจะมาปฏิบัติกับท่านครูบาอบาจารย์อยู่ไหนก็ต้องตามไปครับผม ค, คือ มันจริงๆแล้วอย่างในสังคมปัจจุบันนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้วยปัญหาเศรษฐกิจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหรือแม้แต่ปัญหาการใช้ชีวิตอย่างข่าวคาวทั่วไปของคนใช้ชีวิตบางคนหาทางออกไม่ได้บางคนฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าตัวเองฆ่าอะไรก็ตามพ่อาจารย์อยากจะย้อนกลับไปแล้วก็ฝากถึงอะไรคนคนเหล่านั้นบ้างครับเป็นทุกจากทุกเบาๆทุกหนักปานกลางไปจนถึงคนที่ทุกหนักมากๆครับ คือปัญหาทุกอย่างมันแก้ได้เสมอและความทุกทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงตอนที่เราทุกเนี่ยเราสึกว่าโอ้โหไอเรื่องสอบไม่ได้ตกงานแฟนทิ้งมันเป็นเรื่องใหญ่โตมากแต่พอเราผ่านจุดนั้นไปได้ผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้เวลาผ่านไปสักปีสองปีเราย้อนกลับมาแล้วกลับหวัวเราย้อนว่าหวัว ไปเป็นบ้าเป็นหลังกับเรื่องนี้ได้ยังไงซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับอย่างตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นผมจะเป็นจะตายให้ได้ครับใช่ไหมเคยแต่สมาก็เรียนรู้นะว่าโอ้ไอเวลาที่เราเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยจะเป็นจะตายให้ได้เนี่ยต้องเตือนใจเสมอว่าไอความทุกข์ที่เราเผชิญเนี่ยมันประเดียวประดามันไม่อยู่นานหรอกและตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นจะตายกับมันพอผ่านไปสักพักพอเราปล่อยวางมันได้ครับผมมันกลายเป็นเรื่องคิดจอย ผ่าน ไ, <ม>ไป<อ> ไ, ได้ก็สบายใจใช่ไหมฮะคือปัญหายัางเหมือนเดิมนะเขาก็ยังทิ้งเราอยู่ยัง <ผม S 2> สอบไม่ได้อยู่เน้ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยเราทําใจได้ครับเราปรับตัวปรับใจกับกับความเปลี่ยนแปลงได้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้หนักหนาสหาหัสอะไรเล ย, เลยบางคนเรียนไม่จบก็จะฆ่าตัวตายใช่ไหมแต่ซึ<อ>เป็นปัญหาเล็กน้อยมากที่เกิดขึ้นแทบจะกับหลายๆคนใช่ไหมครับใช่คือเรียนไม่จบเนี่ยเราก็ยังมีทางออกครับ ถึงแม้เราไม่จบโทเราก็ยังมีปริญญาตรตีเราไม่จบตีเราก็ยังมีอ่ามัธยมซึ่งต้องคิดว่าคนที่เขาไม่เรียนไม่จบอะไรเลยเขาก็ยังทำหมากินเขาก็ยังอยู่ได้ในโลกนี้ยังมีความสุขใช่ไหมแต่เป็นเพราะความยึดติดถือมัน่นกําลังจะพูดพอด<ล>อมว่าน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าครแม้แต่ตัวตัวอมเองบางครั้งก็ยังยึดติดนั่นนี่นอนอย่างปัญหาเบื้องต้นบางครั้งก็บอกกับตัวเองว่าเรื่องที่เป็นทุกข์กับเรา มันไม่ได้แปลกประหลาดเกิดขึ้นกับเราคนเดียว<อ>ใช่ไหมครับอาจารย์เกิดขึ้นกับคนธรรมดาสามัญชนปุถุชนทั่วไปใช่ไหมฮะใช่คืออะไรก็ตามที่เรายึดติดถือมั่นนะแม้จะเป็นเรื่องเล็ก น, น้อยเนี่ยถ้ามันไม่ได้ดังใจเนี่ยกลายเ ป, เป็นเจะตายให้ได้ยกตัวอย่างเช่นเป็นสื้ผิวแห้งผมแตกปลายเนี่ยครับ <c oughs> คนที่ติดยึดกับหน้าตาต้องสาสวยหมดจดเนี่ยนะเพียงแค่มีสื้อไม่กินแม่เนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับ ทั้งได้ทั้งได้ชีวิตเนี่ยก็สบายนะกินอิ่มนอนอุ่นพ่อแม่ก็ดีครอบครัวอบอุ่นการเลี้ยงก็ไม่ได้เสียแต่เพียงแค่มีสื่อไม่กินเนี่ยจะเป็นจะตายเพราะอะเพราไปยึดติดถือมั่นกับตรงนรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมครันะใครที่บางคนเนี่ยเป็นมะเร็งกับยิ้มได้ว่าจะตายแล้วเนี่ยนะเป็นมะเร็งสมองซึ่งมันทุกต่างกันมากแต่เพราะเขาเขายิ้มได้เพราะเขาไม่ได้ยึดติดถือมั่นกับไอ้ความเป็นมะเร็งผู้ยหนคือเขายอมรับได้ ยอมรับอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรายอมรับได้เนี่ยใหญ่แค่ไหนเนี่ยมันไม่ทุกข์ครับจะเป็นมะเร็งแต่ยอมรับได้เออมันธรรมดาก็กินอิ่มก็นอนได้นอนหลับแต่ถ้าอะไรก็ตามที่เรายอมรับไม่ได้เนี่ยแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยใช่ไหมครับเป็นเรื่องใหญ่ <ผม S 2> <f> เขาพูดไม่ถูกหูเราเนี่ยมันก็เป็นแค่คําพูดลมปากแต่พอเรายอมรับไม่ได้โอ้ผมกลายเป็นเรื่องใหญ่เอามาเป็นเรื่องใหญ่เป็นทุกข์ใช่ไหมฮะจะต้องฆ่าจะต้องแกงกันหรือไม่ก็รู้สึกว่าเรา ถูกหยาบถูกถูกเกลียดยม้มถูกยามศักดิ์ศรีรู้สึกเราแย่ฆ่าตัวตายนะเพียงเพราะถูกดา่าน้อยเนื้อทำใจอันนี้เป็นเพราะว่าเรายอมรับมันไม่ได้ปัญหาจริงๆไม่ได้ที่ว่าใครทําอะไรกับเราหรืออะไรเกิดขึ้นกับเรารแต่อยู่ที่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรถ้าเรายึดติดถือมั่นกับมันเนี่ยโอยมันก็จะตายให้ได้ถ้าเรายอมรับมันไม่ได้เนี่ยเราก็กินไม่ได้นอนไม่หลับฉะนั้นเนี่ย ปัญหาต่างเนี่ยจริงๆเนี่ยสายเหตุมีที่ใจเราเพียงแค่ปรับใจเนี่ยครับปรับจิตเนี่ยนะชีวิตมันเปลี่ยนได้ไอ้ที่เคยจะเป็นจะตายเนี่ยก็กลับผ่านเฉลยโอ้โหสุดยอดอจริงๆบางทีคนเราต้องข้ามน้ําข้ามเรือข้ามเทคอ่าเรียนนั่นนี่นอนแต่บางครั้งไม่รู้ว่าใจตัวเองเป็นยังไงมันยังไงก็มันก็เหมือนกับวิ่งเหมือนกับหนูวิ่งอยู่ในกรงหรือเปล่าครับอาจารย์ เราต้องหาแก่นแท้ของต้นเหตุสาเหตุไหมฮะว่าว่าเป็นยังไงในกา ร, ร, รปราบ<พ>ทุกข์เป็นเพราะว่าคนเราเนี่ยนะเราไม่รู้จักตัวเองอเราไม่รู้จกกักจิตใจของเราครับเราไม่ตระหนักว่าจิตใจของเราเนี่ยนะสามารถจะทําให้เราสุขอย่างยิ่งรหรือว่าทุกอย่างเลวร้ายก็ได้ครับพระเจ้าจรัสว่าจิตที่ฝึกฝึกไว้ผิดเนี่ยนะ หรือวางไว้ไม่ถูกต้องเนี่ยสามารถก่อความเสียหายยิ่งกว่าเวลาโจรทํำร้ายโจรต่อสู้โจรด้วยกันหรือคนที่เป็นปฏิปักษ์เนี่ยทําร้ายกันคืเวลาโจรต่อสู้กันโอ้โหเอาถึงตายนะแต่ความเสียหายเนี่ยยังเทียบไม่ได้กับจิต ท, ที่วางไว้ผิดโโอโเพราะว่าถ้าเราไวา้ผิดเนี่ยเราไม่เพียงแต่ทําร้ายคนอื่นครั บ, บางทีเราอาจะทำร้ายผู้มีพระคุณบุปการีใช่ไหมัล้วก็ <ผม S 1> ทำร้ายตัวเอง ในทางตรงข้ามถ้าจิตที่ฝึกไว้ดีเนี่ยชีวิตก็จะพบกับสิ่งประเสริฐที่แม้แต่พ่อแม่ก็ไม่สามารถจะทําให้เราได้เป็นสุขที่พ่อแม่เนี่ยอาจจะเลี้ยงเราได้แต่ตัวแต่ว่ามไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้ครับแต่จิตที่ฝึกไว้ดีเนี่ยให้ความสุขกับเราได้แม้จะเจ็บจะป่วยแม้จะยากจนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเจอสถานการณ์แบบไหนใช่ไหมครับพอาจารย์ครับผมมาถึงคําถามที่โอมเชื่อว่าหลายคน ใครรู้ยิ่งนักว่าการทำบุญคืออะไรแล้วทำยังไงจะควรจะได้บุญไหมหรือว่าควรจะคาดหวังอะไรยังไงบ้างครับพระอาจารย์การทำบุญความหมายหนึ่งก็คือว่าทำความดีครับผมและทำความดีเนี่ยไม่ได้หมายถึงการให้ทานอย่างเดียวการรักษาศีลก็เป็นการทำความดีครับการทำประโยชน์ส่วนรวมก็เป็นการทำความดีครับผมบุญเกิดจากการทำประโยชน์ส่วนรวมก็เรียกว่า ความดีเป็นธรบุญไดวายวัตจะใหมวายวัตจะใหม่แก็ทั่งความอ่อนน้อมถ่อมตัวนะอ่อนน้อมถ่อมตัวเนี่ยก็เป็นบุญนะเรียกว่าอัปัจเจเนตใหม่ครับใครทําความดีเราอนุโมทนาเราก็ได้บุญแล้วสาธุบุญในความหมายหนึ่งเนี่ยก็คือนอกจากความดีแล้วเนี่ยมันยังหมายถึงความสุขที่เกิดจากความดีนะครับพระเจ้าจึงกล่าว่าบุญเป็นชื่อของความสุขความสุขที่ว่านี้ไม่ใช่ความสุขกายจะเป็นความสุขใจ เวลาเราทําทําบุญเวลาเราทําความดีแล้วใจเราสงบใจเราเย็นใจเรามีปิติเบิกบานนั่นแปลว่าบุญได้เกิดขึ้นกับเราแล้วครับไม่ต้องรอว่าจะถูกหวยรวยเบอร์นะจากกา ร, ร, รทําบุญนั้นบางคนไปเชือบุญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออ่าสะสมมาถึงจุดหนึ่งแล้วทําให้เราถึงจะได้ก ค, ครั บ, รบแต่ซึ่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่จริงเนี่ยทําบุญเนี่ยนะถ้าทําเป็นนะครับทําปุ๊บได้ปั๊บเลยหรือว่า ได้ก่อนที่จะทําในทางคือแค่คิดเนี่ยคิดจะไปทําบุญคิดจะไปช่วยเหลือใครเนี่ยจิตใจมันตับเพิ่มจิตใจมันยินดีแล้วนนตรงนี้เรียกว่าเกิดตรงนั้นหรือเปล่าตรงนี้เราจิตใจเป็นบุญครับนะให้เข้าใจบุญในความหมายนี้บ้างและบุญในความหมายนี้เนี่ยนะมันสามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาอยู่ที่บ้านก็ทําได้เกิดขึ้นได้สาธุนะอยู่ที่วัดก็เกิดขึ้นได้นะครับผมพระอาจาร์ครับแล้วก็คือชีวิตของคนเรา เรารู้วันเกิดรู้วันณปัจจุบันแต่เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นชีวิตของคนเรามีาเหลือน้อยพระอาจารย์อยากจะแนะนำยังไงครับชีวิตในเวลาที่เหลือน้อยหรือเหลือมากอันนี้เราไม่รู้ไม่มีใครรู้ณนะวันนี้พระอาจารย์จะแนะนำให้กับคนที่ใช้ชีวิตอย่างไรบ้างครับคือคนทุกวันนี้เนี่ยเขาสนใจแตเรื่องจุดหมายชีวิตหาย<ม>ชีวิตเป็นเป็นเศรษฐีเป็น c ีอเป็นเจ้าของธุรกิจ <น>เป็นนักการเมืองเป็ น, นกกรัฐมนตรี ing, เป็นประลักกระทรวงจุดหมายของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันไปแต่มันจะมันมักจะอยู่สูงแล้วก็อยู่ไกลครับแต่ว่าไม่ว่าเราจะทุ่มเทให้กับจุดหมายชีวิตอย่างไรอย่าลืมว่าชีิตมันมีปลายทางด้วยจุดหมายกับปลายทางชีวิตไม่เหมือนกันนะจุดหมายชีิตนี่อยู่สูงครนะแต่ปลายทางแล้วใครๆก็อยากจะถึงแต่ปลายทาง <al> ไม่มีใครอยากถึงนะ<ข> <arl sleeping> มไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่มันต้องเกิดขึ้น และทุกวันเนี่ยเรากำลังขยับเข้าสู่ปลายทางชีวิตครับไม่รู้เมื่อไหร่นะบางคนอาจจะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันบางคนอาจจะเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนครับผมไม่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้แปลว่าปลายทางชีวิตเนี่ยอีกห้าสิบปีข้างหน้าไม่มีใครดูเลยอาจจะพรุ่งนี้ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะลองคิดอยู่สักหน่อยว่าเออเมื่อเราจะต้องตายเนี่ยะเราอยากจะตายแบบไหนครับตายแบบนั้นเพื่ว่าอยากจะตายดีไหมตายดีคืออย่างไร นะแล้วถ้าเราอยากจะตายดีคือตายสงบนะนะเราพร้อมหรื อ, อยังครับตอนนี้อะทุกวันนี้เราสร้างเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราสามารถจะตายสงบตายดีได้หรื อ, อยังอย่าไปคิดว่าอีกห้าสิบปีถึงค่อยคิดเรื่องนี้ใช่ไหมฮะเพราะนั่นคือประมาทนะสาธุนะครับความตายเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาปลายทางชีวิตเขาเนี่ยอาจจะมารอเราแล้ ว, ลวถึงถึงเราแล้วพรุ่งนี้ครับนะเพราะฉะนั้นเนีการเราลึกถึงความตายอยู่เสมอเนี่ยนะ มันเป็นสิ่งที่เตือนใจให้เราไม่ประมาทแต่ว่าอย่าละลึกถึงความตายเองเดียวจะต้องนึกต่อไปว่าถ้าเราจะต้องตายวันนี้วันครุ่งเนี่ยเราพร้อมอย่างเราพร้อมหรือยังครับผมทาความดีมาพอหรือยังหน้าที่ที่ควรทําเราทําเสร็จสิ้นหรือยังครับผมเช่นหน้าที่ต่อตัวเองหน้าที่ต่อผูปการอหน้าที่ต่อลูกหลานหน้าที่ต่อประเทศชาติสังคมครับและเราพร้อมจะปล่อยวางทุกอย่างหรือเปล่าครับสาคัญมากนะเพราะว่าถ้าเราไม่พร้อมจะปล่อยวางใช่ไหมถึงจะตายเนี่ย ถึงเวล า, าตายเรายัางยึดติดดิษทรับสมบัติพว ง, ว ง, ว ง, ว ง, วงลูกพวงหลานครับผมนะเราจะตายไม่ดีจะตายไม่สงบครับเป็นเศรษฐีก็ไม่ได้หักประกันว่าเราจะตายสงบถ้าเกิดว่าเราวางใจไม่ถูกนะไม่เตรียมตัวไม่เตรียมใจครับเรามาถึงความตันนี้ครับผมปัญหาเรื่องของป่าเรื่องของต้นไม้เรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พระอาจารย์ให้ความสําคัญกับการปลูกป่าซึ่งลูกศิษย์ลูกหาทุกคนรวมทั้งผู้ที่ติดตามอนุโมทานาบุญกับสิ่งโครงการที่พระอาจารย์ทําขึ้นพระอาจารย์อยากจะกล่าวถึงตรงนี้และก็เชิญชวนคนค น, คนไทยมาร่วมกันเรื่องของธรรมชาติกับป่าไม้กับสิ่งต่างๆอย่างไรบ้างครับคือต้องเข้าใจากันว่าคนกับธรรมชาติเนี่ยแยกากก<ม>ันไม่ขาด ครับนตุ้นเราเนี่ยพึ่งพาธรรมชาติไม่ใช่แค่น้ำไม่ใช่แค่อากาศอันนั้นเป็นเรื่องของร่างกายครับไม่ใช่แค่อาหารยารักษาโรคอันนั้นเป็นเรื่องของร่างกายจิตใจแล้วก็พึ่งพาธรรมชาติมากคนเราถ้าห่างไกลธรรมชาตินะจะเครียดครับคนที่คนเจ็บป่วยเนี่ยถ้าไม่ได้เห็นธรรมชาตินะจะฟื้นตัวช้านักโทษเนี่ยถ้าไม่ได้เห็นธรรมชาตินะจะเครียดจะงุดนิดจะก่อการทะเลาะวิวาสจะนำตน นะนั้นคนเราเนี่ยนะจิตใจเนี่ยมันอินธรรมชาติมากนะและธรรมชาติเนี่ยจะสามารถจะทําให้จิตใจเราจเจริญงอกงามได้พระพุทธเจา้าเนี่ยนะต อ, ตอนที่พรงค์ตัดสรู้่นเนี่ยรพระองค์เลือกเลยนะว่าจะแต่ง บ, บัพเพินเพียนเนี่ยในสถานที่ที่เรียกว่าในสถานที่ ท, ที่เราอุลุเวลาเสนานิคมลิมแม่น้ําเนรัญชราเพราะว่ามันเป็นที่ที่สงบร่มรื่น เรียกว่าลมณีสถานครับผมท่านเห็นแล้วเนี่ยพวกมันเป็นสาที่ดีๆมากเลยครับท่านก็เลยเลิกจุดนี้เนี่ยเพื่อบอําเพ็ญธรรมแล้วคือนั่นเองท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับผมแสดงว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะธรรมชาติอันร่มรื่นเนี่ยมีความสําคัญต่อรเราในฐานะมนุษย์ต่อเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธในฐานะที่เราเป็นสิทธิ์าคนเนี่ยเราต้องขอบคุณธรรมชาติ เราต้องและเมื่อเราเห็นว่าธรรมชาติมีความสําคัญก็ต้องพยายามรักษาไว้รักษาธรรมชาตินะนะเพื่อประโยชน์สุขทางกายครับเพื่อประโยชน์สุขทางจิตใจนะนี่นี่เือดผลทาไมนเนี่ยในพุทธศาสนาจึงมีวัดปา่าและหน้านที่ของพระคือช่วยรักษาปา่าเพื่อจะได้เป็นสถานที่สําหรับ ก, กา ร, รปฏิบัติธรรมอันนี้เนี่ยถ้าป่าถูกทําลายก็ต้องช่วยกันฟื้นฟูครับนะบบป่าเนี่ยถูกไฟเผาก็ต้องพยายามป้องกันไม่ให้มีไฟมา เผาผลาญนะครับแล้วเมื่อถูกเผาผลาญแล้วก็ต้องพยายามที่จะปลูกป่าเพิ่มขึ้นทดแท น, ทแทนครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของเราซึ่งเป็นพะโลโลกรเราซึ่งเป็นมนุษย์เราซึ่งเป็นชาวพุทเนี่ยที่ต้องช่วยกันรักษาปา่ารักษาธรรมชาติทําให้เกิดเป็นโรมณีสถานให้มากเท่าที่จะมากได้ไม่ใช่เฉพาะในชนําบทแต่ว่ารวมในเมืองใน บ, บ้านเราปลูกต้นไม้ในบ้านไม่มี ไม่มีพื้นที่ก็อย่างนั้นก็ปลูกในห้องเราทําตรงนั้นให้ได้ให้ให้เหมือนกับให้เกิดให้ธรรมชาติเกิดขึ้นให้เราได้เอาตัวไปผูกพันธุ์แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติก็จะได้ธรรมะตรงนั้นด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วก็ที่สำคัญคือธรรมชาติภายนอกเนี่ยมันจะน้อมให้เราเห็นธรรมชาติภายในสาธุนะครับเข้าใจเรื่องของกายเรื่องของใจครับเห็นว่าอ ร่างกายและจิตใจเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงคมันเป็นทุกข์นะมันเป็นอนัตตาตรงเนี้ยจะทําให้เกิดปัญญาหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ส <า S 2> เพราะว่าครับจิตจะไม่ยึดติดถือมั่นกับอะไรครับอันนี้เกิดจากการที่จิตเนี่ยได้เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมชาติครับซึ่งก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะกับธรรมชาติไม่ได้แยกจากกันสเ <า S 2> <นะ S 1> ข้าถึงธรรมะก็จะรักธรรมชาติและถ้าเข้าถึงธรรมชาติก็จะเห็นธรรมะ มาถึงคำถามอันนี้จริงเป็นคําถามที่เขาใช้ประกอบตัดสินประกวดนางงาม <c oughs> มิสแกรนไทยแลนด์ปีนี้นะครับเป็นคําถามที่ปังดีมากๆนะครับถามว่าในชีวิตของคนธรรมดาพระอาจารย์คิดว่าอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตนะครับเพราะอะไรนะครับในชีวิตของคนมนุษย์ทั่วไปเนี่ยฮะพระอาจารย์ว่าอะไรสําคัญที่สุดการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ครับผม คุณงามความดีถ้าตอบสรางสรรค์นะเพราะเกิดแมงค์ชีเนี่ยเราถ้าเราไม่ไม่มีคุณงามความดีและไม่สร้างสรรค์คุณงามความดีเลยเนี่ยครับก็เรียกว่าลวกโลกเหมือนกับหนักแผ่นดินเหมือนกับเป็นอ่าทั่วไปที่ไม่ได้เป็นมนุษย์ที่ไม่ได้เป็นคนที่ทําคุณคุณงามความดีใช่ไหมฮะแล้วจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์เนี่ยคือเวนนายสัตว์ครับสัตว์มีหลายชนิดแต่มนุษย์เนี่ยเรียกว่าเวนนายสัตว์ เป็นนัยศัพท์ว่าสัตว์ที่ฝึกฝนได้และคนฝึกครับฝึกเพื่ออะไรฝึกเพื่อให้มีคุณธรรมมีคและคุณธรรมจะทําให้เราเป็นมนุษย์นะคุณธรรมในที่นี่คือนะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นสาและช่วยเหลือเกื้อกูลเขามีศีลมีธรรมที่เจ้าตรัสว่าเนี่ยอายุร้อยปีเนี่ยมีอายุร้อยปีเนี่ยนะแต่ไม่ทําคุณงามความดีเลยเนี่ยสู้คนที่มีชีวิตแค่วันเดียวแต่เกิดมาไม่ได้ทําไม่ได้ทําความไม่ดีอะไรใช่ไหมฮะ อ๋อไม่ใช่ไม่ทำไม่ได้ทําชั่วเนี่ยต้องทําความดีด้วยนะอคนเราเนี่ยเกิดมาเพียงแค่วันเดียวและทําคุณงามความดีเนี่ยมีคุณค่ายิ่งกว่าเกิดมาร้อยวันแต่ไม่ได้ทําอะไรดีอายุร้อยปีแต่ว่าทําชั่วนะเพราะนั้นเนี่ยคุณค่าของมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่คุณงามความดีสตอนนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามสร้างสมคุณงามความดีเอาไว้ครับและคุณงามความดีนั่นแหละที่จะยกเราให้อยู่เหนือความเป็นมนุษย์ครับก็คือว่าออาจจะเป็น ทำให้แตกไม่ใช่เป็นคแค่เทศนะแต่ว่าสามารถจะเป็นพระอรหันต์นะรหรือว่าทําให้เราเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างที่พระพุทธองค์เนี่ยท่านได้พัฒนาตนโดยใส่คุณงามความดีจนทั้งพรคเนี่ยนะกลายเป็นพระบรมศาสดาเราแตเา่เราแต่คนอาจจะไม่มีความสามารถจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นบุคคลพิเศษแต่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเราทุกคนมีศักยภาพที่จะทำได้ถ้าเราเริ่มต้นจากการทําคุณงามความดี พระอาจารย์คิดว่าคนทั่วไปเขาคิดว่าการทําบุญก็หรือว่าการทําดีคุณงามความดีพระอาจารย์คิดว่ายากไหมครับสําหรับบุคคลทั่วไปถ้าหากว่ายากเราควรจะเริ่มต้นยังไงครับพระอาจารย์จริงๆมันง่ายนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ใช่ไหมครับนเป็นสิ่งที่มันอยู่ในมนุษย์เราอยู่แล้วเด็ก<า>เด็ก<า>เด็กาทาโรคนี่นะเขามีคุณธรรมเขามีความเมตตาคเวลาเขาได้ยินเสียงได้ยินเสียงเด็กด้วยกัน ร, ร้องไห้เนี่ยครับเขาจะกระสับกระส่าย ก็ใช่เพราะเขาคาญแต่เพราะเสงสารเขาอยากจะไปช่วยถ้าคลานได้ก็จะคลานไปหาออืถ้าเขาเดินได้ก็จะเดินไปดูว่าเขาจะช่วยอะไรได้บ้างเด็กเนี่ยไม่ต้องใช้ไม่ต้องมีใครมาสอนมันออกมาเองจากใจเป็นธรรมชาติของเด็กใช่ไหมฮะธรรมชาติของมนุษย์ของมนุษย์นะครับเดี๋ยวว่าแต่มนุษย์เลยสัตว์มันยังมีเลยนะคสัตว์ยังมีเนี่ยนะเขาเคยทดลองนะเอาลิงเนี่ยนะมาดึงในกรงเนี่ยนะประมาณห้าตัวเนี่ยหกตัวมาอยู่ในกรง ลุงเนี่ยมันอยากกินอาหารเวลากินเนี่ยมันต้องดึงโซ่แต่ถ้าดึงโซ่ไม่ไหลเนี่ยไอตัวที่เจ็ดที่อยู่ในอีกใน ก, กลอีตัวหนึ่งจะโดนไฟช็อตเขาก็ไม่ทําลิงไม่ทําครับนะมีลิงลิงสีตัวแรกเนี่ยไม่กินอาหารเลยสองวันโอ้โหนะไอตัวไอตัวที่ห้าเนี่ยมันไม่กินอาทิตย์หนึ่งครับไอตัวที่หกเนี่ยมันไม่กินสิบสองวันมันยอมอดเพราะเปนกลัวมีความเมตตาแล้วก็มีดูไฟช็อตครับผมโอ้โหนี่ย ถามว่าใครสอนลิงไม่มีใครสอนออกมาเองมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมฮะแล้วคนเราเนี่ยถ้าไม่มีเมตตากรุณามันแย่กว่าลิงนะถูกมันแย่กว่าสัตว์เดรัจฉานนะครับเพราะนี่ถามว่ายากไหมมันไม่ยากเพราะมันออกมาจากสรรชาติยามมนุษย์สุความดีความงามความเมตตากรุณาครับเป็นขั้นพื้นฐานง่ายๆอาจจะเป็นเพราะว่าคนเราไปปรุงแต่งไปคิดมากเองไปอะไรเองว่ามันยากอย่างนั้นอย่างนี้คุณชมคงได้คําตอบที่หลายคนนะครับ คือจริงๆแล้วธรรมะก็คือธรรมชาติเหมือนที่พระอาจารย์ภัยสา ร, รได้กล่าวไว้แล้วก็การทำความดีหรือว่าทำสิ่งที่ดีนั้นไม่ได้ยากเลยถ้ามันมาจากธรรมชาติแล้วก็จิตใจที่มีความรักความเมตตาถึงแม้ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์อะไรก็ตามนะครับพระอาจารย์ครับน่าเสียดายมากๆใจจริงแล้วอมเชื่อได้ว่าทั้งทีมงานแล้วก็แฟนๆรายการอยากจะ สนทนาธรรมกับพระอาจารย์มากกว่านี้แต่ว่าด้วยเวลาจํากัดพระอาจารย์มีอะไรฝากถึงแฟนๆรายการแล้วก็ผู้ที่ติดตามไม่ว่าจะเป็น Facebook ของพระอาจารย์หรือว่าทางาทางหน้าแฟนพจหน้าหน้าเว็บไซต์ด้วยนะครับครับผมพระอาจารย์ฝากอะไรถึงคนทุกวันนี้เนี่ยมีความสุขสบายทางวัตถุทางกายแต่ว่าส่วนมากเลยส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีความสุขใจที่ ค, ความสุขใจไม่ต้องแสวงหาที่ไหนนะมันอยู่ที่ใจแล้วละ เพงแต่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าอยู่ตรงนั้ น, นใช่ไหมคร<ะ>ัความสุขแท้อยู่ที่กลางใจเราสาธุพบสุขได้ที่ใจเราไม่ใช่พบสุขที่ห้างสรรพสินค้าครับไม่ใช่พบที่โรงหนังหรือผับเดอะมอลล์ต่างต่างหรือว่าภูเก็ตเขาใหญ่เนี่ยพบสุขได้ที่ใจเราครับผมขอให้หันมา พ, นพิจารณาใจของเรามีสติมีความรู้สึกตัวนะแล้วก็ ร, รู้จักมองบวกบ้างเนี่ยเราจะพบว่าความสุขมันเกิดขึ้นแล้วที่ใจเราสาธุ คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการหรือครับผมอันนี้ปิดแล้วเนาะขอขอ